ขอล่ามง่าคิดจัดนังดิทยาศาสตร์ทํากใกล้ตัวฉบับที่9ตอนคุยเรื่องความรักในหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวนภาค2โดยชนลนินคืนเดียวก็เอียวร่วมเป็นขลัต้องแยกกันคมรงไม่ทอจึดเก้าต่อไปมึงสู่จุดมา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 เริ่มต้นตอนพระเจ้าบุเรงนองตายสวรรค์คฏย่าหัดใช้คำราชาสาบิถูกหน่อยโถผมไม่เคยเป็นชาววังนะป้าคำราชาศัพท์เลยไม่แข็งแรงขอพูดแบบธรรมดาได้ไหมคงไม่มีใครเขาคอยมาตามจับผิดหรอกอา้าวว่ามาหนังเริ่มจากเหตุการณ์พระเจ้าบุเรงนองสวรรค์คฏพระนเรศวรกับเจ้าเมืองขึ้นทั้งหลายตามไปร่วมพิธีศพและเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒนัตยามีแต่เจ้าเมืองขังเท่านั้นอ่ะ แข็งคอไม่ยอมไปพระเจ้านันท บ, บูเรงกษัตริย์หงศาองค์ใหม่เลยสั่งจัดทัพสามทัพมีทัพหงสาตองอูและอโยธยาให้ไปตีเมืองคังทัพไหนตีได้จะมีรางวัลให้ปรากฏว่าทัพอโยธยาของพระนเรสวนทำสำเร็จแต่ก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากทางหงศาอยู่ดีพระนเรสวนโดนรอบลงพชนแถมเกือบหลงกลอุบายของหงสายังดี ที่ได้รู้ความจริงก่อนจึงชิงตัดหน้าประกาศอิสรภาพไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นหงสาและนำกองทัพพาเฉลยอโยธยากับชาวมอญข้ามแม่น้ำสตโตงหนีจากทหารหงสาได้สำเร็จจบหรือยังภาคนี้จบแค่นี้แหละเล้่หนังโรแมนติกตรงไหนเ่ถ้าป้าไม่มองความโรแมนติกเป็นแค่เรื่องความรักของหนุ่มสาวนะเราจะเห็นความรักความกตัญญูที่พระนเรศวมีต่อพระเจ้าบุเรงนองมีต่อพระสุพรรณกัลยา มีต่อสหายร่วมเป็นร่วมตายยังออกยาพระราชมนูมีต่อชาติบ้านเมืองแผ่นดินเกิดมีให้กระทั่งชาวมอญที่ยอมเสี่ยงร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านตอนที่ทหารเข้ามารายงานท่านว่าเวลานี้พวกชาวมอญข้ามสะพานหมดแล้วท่านยังตรัสแก้คําพูดให้เลยว่าพวกเราแสดงให้เห็นว่าท่านไม่แบ่งเขาแบ่งเรา